จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดว่าความสะอาดของกายวาจาใจนำความสุขมาให้ความทุกข์ก็เกิดจากความไม่สะอาดของกายวาจาใจถ้าเราหมั่นชำระกายวาจาใจอยู่อย่างสม่าเสมอ เราก็จะมีความสุขอย่างสม่ำเสมอความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเราเป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขของทั้งโลก ทางลาบยศสรรเสริสญรทางรูปเสียงกลิ่นรสที่มีความทุกข์ตางมาเนื่องจากว่าในความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาได้ลาบก็จะเกิดความสุขเวลาเกิดเสื่อมลาบก็จะเกิดความทุกข์เวลาได้เลื่อยศได้ยื่นตําแหน่งก็จะเกิดความสุขเวลาทุก ยืดเลื่อนตำแหน่งลงหรือถูกปวดออกก็จะเกิดความทุกข์เวลามีการยกย่องสรรเสริญยืนยอก็จะเกิดความสุขเวลาเกิดการก้าาหารินทาตันิิว่ากล่าวตักเตือนก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ได้เสกกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ชอบที่ถูกหกถูกใจ ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเวลาที่ไม่ได้เสกก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ความสุขที่เกิดจากการชำระใจนี้จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวถ้าทำระได้บริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความไม่บริสุทธิ์ทานั้นไม่ได้เกิดจากว่ามีลาบมากหรือมีลาบน้อย มียศถานาสากสูงหรือไม่มีการสรรเสริญยอหรือตำหนิว่ากล่าวติดเตียนหรือไม่หรือว่าได้เซ่กับรูปสียงกิลมลดโพธพภะชนิดต่างๆหรือไม่ความสุขความทุกข์ใจอยู่ที่ความบ่อยสุทหรือความไม่บอยสุท ข, ของใจนั่นเองเวลาใดใจไม่บอยสุทเวลานั้นก็จะมีความทุกข์ขึ้นมา ความแม่บริสุทธิ์ของใจเกิดจากอะไรก็เกิดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองนั่นเองที่มีอยู่สามก็คือความโลภความโกรธและความหลงเวลาใดที่มีความโลภความโกรธความหลงเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาใดที่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลง เวลานั้นก็จะเกิดความสุขจะขึ้นมาความสุขใจและความทุกข์ใจนี้มีอิทธิพลเหนือความสุขความทุกข์ทางลาบยศสารเสริญสุขถึงแม้จะมีความสุขทางลาบยศสารเสริญสุขแท้ถ้าเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความสุขทางลาบยศสารเสริญสุขก็จะถูกกลบไป ทำให้เกิดความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจขึ้นมาดังนั้นถึงแม่จะเป็นมหาเศรษฐีเป็นประธานาธิบดีเป็นมหากรย์ก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ถ้าใจยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่แต่ถ้าใจไม่มีความโลภไม่มีความโกรธความหลงถึงแม้จะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเป็นมหากรย์ ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแต่จะมีความสุขมากกว่าประธานาธิบดีมหาการได้มหาเศรษฐีอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันเพราะความสุขทางใจนี้เหนือความสุขทั้งปวงนั่นเองนี่คือคําสอนที่ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสิ้นด้วยพระองค์เองทรงพบความสุขที่แท้จริงความสุขอันยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่าปะมังสุขขังอยู่ที่ใจของพระพทธเจ้าอยู่ที่ใจของพวกเราอยู่ที่ใจที่ได้รับการชำระติเลศต่างๆให้หมดไปจากใจคือความโลภความโกรธความเหนืดังนั้นพวกเราถ้าอยากจะหาความสุขอยากจะดับความทุกข์เราต้องมาชำระใจของเรา ชำละความโลภความโกรธความหลงนี้ให้หมดไปจากใจเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่ใช่ไม่ใช่การเสื่อมลาบเสือ่อมยศเสือ่อมเสือ่อมการสรรเสริญเสือเส่อมในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งเหล่า น, นั้นน่าจะเป็นความทุกข์แต่ถ้าใจไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น สิ่งเหล่า น, นั้นก็จะไม่สามารถทำให้ใจทุกข์ได้ถ้าใจไม่ไปโลภไปอยากได้กับราบยศสรรเสริมสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อให้ราบยศสรรเสริมสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เสื่อมสลายหายไปหมดเลยก็ตามเช่นจากมหาเศรษฐีมาเป็นขอทานจากมหากษตรมาเป็นขอทานจากการที่มีคนยกย่อง สรเสริญเยอยวามาถูกกลลหานินทาจากคนที่มีความสุขไร้ล้อมด้วยรูปเสียงกลิ่นโรดโพธภพชนิดต่างๆมาอยู่แบบไม่มีรูปเสียงกลิ่นรดมาบำรุงบำเลอจิตใจเลยจะไม่มีความทุกข์เลยถ้าใจสะอาดบริสุทธิ์ถ้าใจได้รับการฉันละคือกำจัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดสิ่งไปจากจิตจากใจเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็เคยมีเคยเจริญในลาบยศสารเสริญสุดแล้ววันหนึ่งพระองค์ก็เสื่อมหมดคือพระองค์เสด็จออกจากพระราชฐานสะลัพระราชสมบัติแล้วก็มาบำเพ็ญเป็นสัมาณะเป็นขอทานอยู่แบบขอทานอยู่ได้ด้วยการบิญทบาร ได้ด้วยการสมเคราะห์การให้ทานของผู้อื่นแล้วก็มาทรงบำเพ็ญชําระพระทัยของพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์จนในที่สุดพระทัยของพระองค์ก็เต็มเปลี่ยนไปได้ไปด้วยความสุขพระองค์ก็ไม่เคยกลับไปหาความสุขที่เคยมีในสมัยที่อยู่ในพระราชวังเลย ไม่สงกับไปหาราบยกสรรเสริญสุดทางตาหูจมูกนินกายถึงแม้จะอยู่แบบขอทานอยู่แบบยาวจบอยู่แบบคนยากจนแต่พระทัยของพระองค์นั้นกลับมีความสุขยิ่งกว่าพระมหากรส์ยิ่งกว่ามหาเศรษฐีเพราะนี่คือความสุขที่แทจ้จริงที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนั่นเอง เพียงแต่ว่าพวกเรานั้นถูกความหลงหลอกให้เราไม่เห็นความจริงอันนี้ไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การชาระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจเรากับถูกความหลงที่มีอยู่ในใจนี้หลอกให้เราไปเ ห, ห็นว่าความสุขต้องอยู่ที่ลาบยศเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้งกาย แต่ไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยง ม, มีเจริญย่อมมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่เห็นว่ามันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปสั่งให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดที่จะสั่งให้มันสนองให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดนี่คือความหนุนที่เรามองไม่เห็นกัน คือมองไม่เห็นความไม่เที่ยงเรียกว่าอานิจจังมองไม่เห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในราบยศสรดเสรญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมองไม่เห็นอนาตาคือการไม่มีไม่อยู่ภายใต้อานาจของใครทั้งนั้นไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีใครที่จะสามารถไปควบคุมไปสั่งได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ เมื่อไม่ไม่สามารถสั่งได้เวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาถ้าใจยังอยากให้เป็นเหมือนเดิมอยู่ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นรักใครก็อยากจะให้เขารักเราเสมอไปไม่อยากจะให้เขาเปลี่ยนไปไม่อยากให้เขาโกรธเกลียดเราแต่พอเขาโกรธหรือเขาเกลียดเราขึ้นมาเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่เราไม่รู้ว่าเราไปบังคับไปสั่งเขาไม่ได้ให้เขารักเราเสมอให้ดีกับเราเสมอเพราะว่าตัวเขาก็ไม่เที่ยงนั่นเองใจเขาก็ไม่เที่ยงเขามีอารมณ์แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเวลาอารมณ์ดีเขาก็พูดดีทำดีเวลาอารมณ์ไม่ดีเขาก็พูดไม่ดีทำไม่ดี แต่ใจของเราอยากให้เขาพูดดีทำดีตลอดเวลาพอเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็จะทุกข์ใจทรมานใจเศร้าโศกเสียใจดังนั้นถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงเราต้องมาชาระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ต้นเหตุของความไม่บริสุทธิ์ของใจก็อยู่ที่ความหลงนั่นเอง หลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นกกงจากเป็นดอกบัวเห็นความสุขเห็นความทุกข์ทางลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นความสุขไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์ไม่เห็นว่าความสุขอยู่ที่ความสะอาดของใจอยู่ที่การไม่มีความโลภความโกรธความหลงวิธีที่จะแก้ความหลงไม่ได้ในเบื้องต้นก็ต้องแก้ด้วยการ ศึกษาจากผู้รู้คือพระพุทธเจ้าพรนะธรรมและพระอริยรสงสาวกทั้งหลายตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สงเสด็จดับขันธปัญญิพานจากพวกเราไปนานแล้วแต่มีพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นตัวแทนของของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ถึงแม้เราจะจากพวกเธอไปแต่พวกเธอจะไม่ไม่ได้อยู่ปราศ จ, จากศาสดาจากจากครูบาอาจารย์จากเรา<ม>เพราะว่าพระธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนพวกเธอต่อไปและผู้ที่จะนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้ามาเผยแผ่มามาแยกแยะมาแสดง โปรดก็คือภาคอารียสงสาวกทั้งหลายที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ชำระจิตใจ จ, จนสะอาดบริสุทธิ์ก็จะเป็นผู้ที่สามารถนำเอาพระธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายได้อยู่ที่สัตว์โลกว่าจะมีศรัทธาที่จะศึกษาหรือไม่เท่านั้น ถ้ามีศรัทธาหมัน่นฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ก็จะสามารถเห็นได้ว่าความหลงนั้นเป็นอย่างไรแต่การเห็นว่าความหลงเป็นอย่างไรนั้นยังไม่สามารถกำจัดความหลงให้หมดไปจากใจได้จะ จ, จะกำจัดความหลงให้หมดไปได้จะต้องเกิดจากการปฏิบัติปฏิบัติ มักแปดหรือทานศีลภาวนานี้เท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติถึงแม้จะรู้ว่าลาบยศสารเสริญสุขเป็นเป็นทุกข์ก็ตามแต่ก็จะไม่มีกําลังที่จะตัดได้ยังติดอยู่กับลาบยศสารเสริญสุขถึงแม้ว่าจะทุกข์ทรมากับลาบยศสารเสริญสุขมากน้อยเพียงไรก็าตามก็ยองทนทุกข์ไปเหมือนคนที่ติดยาเสพติด ที่รู้ว่าการติดยาเสพติดไม่ดีแต่ไม่มีกําลังใจที่จะตัดความอยากในยาเสพติดได้ยอมทุกทรมานไปกับการเสพยาเสพติดยอมตายไปกับการติดยาเสพติดฉันใดสันโลกก็เป็นเช่นนั้นสันโลกทั้งหลายก็ยอมทุกทรมานยอมตายไปกั บ, าบลาภยศสารเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงแม้จะทุกข์มากน้อยเพียงายก็ตามก็ไม่เยาไม่ยอมตัดความตัดความอยากในลาบยศเสริมสุขไปได้เพราะไม่ปฏิบัตินั่นเองไม่ทาตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้ทาก็คือหนึ่งทานสองศีล สามภาวนาสามสามวิธีนี่แหละจะเป็นวิธีที่จะชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขมีความสุขที่แท้จริงมีความสุขที่ไม่มีความทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติสามขั้นตอนนี้ ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือทานทานก็แปลว่าการให้การให้สิ่งของที่เป็นของเราไม่ใช่เอาของคนอื่นไปให้การให้ของคนอื่นไปให้นี้ไม่ได้เป็นการชำระความโลภความโกรธความหลงต้องให้ของที่เรามีอยู่เป็นของเราในขณะในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ในอนาคตเช่นหลังจากที่เราตายไปแล้ว เช่นเขียนพินัยกรรมว่าจะยกทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองให้แก่ผู้นั้นผู้นี้แต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ยังไม่ให้ให้แบบนี้ก็ยังไม่ได้ชาระความโลภความโกรธความหลงเพราะยังหวงอยู่ยังยึดติดอยู่ยังรักอยู่ยังไม่ปล่อยวางถ้าจะให้ต้องให้ตอนที่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่นเหมือนการสละอวัยวะให้แก่ผู้อื่นหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วให้แบบนี้ก็ไม่ได้ชำระใจให้สะอาดยังไม่ได้ชำระความโรคความโกรธความหลงความยึดติดในร่างกายในอวัยวะของร่างกายถ้าจะให ที่ให้เป็นทานให้แล้วได้ชําระความโลภความโกรธความหลง ก, ก, ก็ต้องให้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นบริจาคไตให้แก่ผู้อื่นไปมีไตอยู่สองไตก็มีผู้อื่นเขาเขาเดือดร้อนถ้าไม่มีไตให้เขาเปลี่ยนเขาก็จะต้องเสียชีวิตไปก็ยอมบริจาคไตไปให้กับเขาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นทานเป็นบุญเพราะใจสามารถตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความหวงแหนในอวัยวะของตนหรือจะบ่อยจากตาสักข้างหนึ่งให้แก่ผู้อื่นไปก็ได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นทานต้องให้ในสิ่งที่เป็นของของเราในขณะที่เราตายไปแล้ว เราไม่สามารถที่จะไปอบอกว่าร่างกายนี้เป็นของเราได้แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพูดรือทำอะไรกับร่างกายนี้ได้นั่นเองในขณะนี้เราเป็นเจ้าของเราสามารถบอกได้ว่าจะให้ร่างกายนี้กับใครจะให้อวัยวะส่วนนี้กับใครแต่ถ้าตอนที่เราตายไปแล้วนั้น ไม่ได้เป็นของเราแล้วดังนั้นเวลาถ้าอยากจะทำทานต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นพระพุทธเจ้าทรงสละพระราชสมบัติทั้งหมดสละภรรยาสละราชโอรสในขณะที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่อย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นการให้ แต่ถ้าให้หลังจากที่ตายไปแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นทางไม่ได้เป็นการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นขอให้เราให้ในสิ่งที่เป็นของเราอย่าไปขอคนนั้นคนนี้มาให้เช่นเวลาเราอยากจะทําบุญแต่เราอยากจะทํามากๆเราก็ไปเรียรายให้ ให้คนอื่นมาร่วมทำบุนกับเราอย่างนี้เราไม่ได้บุญจากเงินของผู้อื่นเขาเราจะได้บุญรูอได้ชำระใ จ, จแต่เฉพาะเงินที่เป็นส่วนของเราเท่านั้นการการบอกบุญนี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรแต่ต้องบอกด้วยการที่ไม่ทำให้ผู้รับบอกการบอกบุญรู้สึกว่าถูกบังคับกระกัน เช่นไม่ควรจะพิมพ์เป็นซองแจกให้กันอาจจะบอกกันได้ว่าจะไปทำบุญที่นั่นที่นี่บอกได้เพียงเท่านั้นส่วนเขามีศรัทธาจะไปหรือไม่จะร่วมจะร่วมทำบุญด้วยหรือไม่นั้นต้องปล่อยให้เป็นปตามตาศรัทธาเพราะถ้าทำบุญด้วยการถูกบังคับก็จะไม่ได้บุญเท่ากับการทำด้วยความศรัทธา เพราะการทำด้วยศรัทธานี้จะทำด้วยความยินยอมยอมปล่อยวางเงินของตนไปแต่ทำด้วยความถูกบังคับนี้ทำด้วยความจำใจใจยังไม่ยอมปล่อยใจยังยึดติดอยู่แต่จำเป็นจะต้องทำเพราะเสียไม่ได้เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจหรือเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่มาบอกบุญ ดังนั้นเวลาทำบุญนี้เราต้องระมัดระวังเราเราบอกบุญได้แต่ต้องระวังว่าอย่าเป็นการบังคับใจผู้อื่นถ้าเราคิดว่าการบอกของเรานี้จะเป็นการบังคับใจเขาเราก็ไม่ควรจะบอกปล่อยให้เขารู้ของเขาเองถ้าเขารู้อย่างนั้นไม่เป็นไรเพราะบางทีเราไปบอกเขาเนื่องจากเขามีความเคารพ เขาอาจจะเกรงใจเราแต่เขาอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทองกับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเขาก็ยังไม่มีศรัทธาหรือไม่มีความอยากที่จะทําบุญแต่เขาต้องทําอย่างนี้เป็นการไปเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาดังนั้นเวลาการเวลาจะบอกบุญเราจะต้องระมัดระวัง อย่าบอกไปในลักษณะที่เป็นการบังคับกันไม่เช่นนั้นแล้วการให้ของเขาจะไม่ได้เป็นทานจะไม่ได้เป็นการชําระความโลภความโกรธความหลงนี่คือทานส่วนศีลก็เป็นการชําระกายวาจาใจคือชําระความโกรธชําระความโลภ เพราะว่าเวลาโลกแล้วก็มักจะไปทาบากนั่นเองเพราะถ้าไม่สามารถทำหามาได้ด้วยวิธีที่สุดจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมแต่ความโลภความอยากยังมีกําลังมากอยู่ก็จะไปทาบาปไม่รักษาศีลกันมีคนมาเล่าให้ฟังมากว่าการรักษาศีล น, นี่ยากต่อการทามาหาจิน พอเวลาทำมาหากินค้าขายนี้มักจะต้องไม่พูดตามความจริงจะต้องพูดปดถ้าพูดความจริงแล้วกลัวจะทำมาค้าขายไม่ได้แต่ความจริงแล้วถ้าเราไม่โลภมากจนเกินไปเราก็ยังค้าขายได้เราก็พูดไปตามความจริงถ้ามีคนเขาอยากจะซื้อก็ซื้อไปถ้าเขาไม่ซื้อก็ไม่เป็นไร เชื่อว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นจะต้องโกหกถ้าเราขายของตามความจริงไปเราซื้อมาเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่นั้นก็เป็นเรื่องของเราเราไม่ต้องไปโกหกเพราะว่าเราซื้อมาราคานั้น ท, ทั้งทั้งที่เราไม่ได้ซื้อมาในราคานั้นเวลาเร า, เราขายเราก็บอกราคาขายไปก็แล้วกันส่วนราคาซื้อเราไม่ต้องบอกขาหรอก เราจะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของเขาถ้าเราไม่โลภมากแล้วรับรองได้ว่าเราจะรักษาศีลได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่โกรธมากเราก็จะรักษาศีลได้แต่ถ้าเราโลภมากโกรธมากเราจะรักษาศีลไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาศีลเราก็จะสามารถควบคุมความโลภความโกรธของเราให้อยู่ในขอบของ ของความดีได้คือถ้าเรามีความแน่วแน่ต่อการรักษาสิ่งจริงใจต่อการรักษาสิ่งเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากจะผลักดันให้เราไปทำผิดสิ่งเราก็จะไม่ยอมทำต่อไปความโลภความโกรธของเราก็จะอ่อนกำลังลงเพราะว่าเรามีสิ่งไว้คอยต้านนั่นเองนี่คือหน้าที่ของสิง เป็นการล้อมลัวล้อมกรอบของความโลภความโกรธความหลงไม่ให้ตะลวนเปิดเติงไปถ้าความโลภความโกรธความหลงเหมือนสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายถ้าเราไม่มีคอกล้อมเอาไว้วัวควายเขาก็จะไปหากินตามที่ต่างๆแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้เช่นไปกินข้าวในนาของผู้อื่น ไปทำ้ายทำลายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นได้แต่ถ้าเราล้อมคอกเอาไว้มีรั้วล้อมพวกวัวควายไว้ในคอบมันก็ไม่สามารถที่จะออกไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้ชันใดถ้าเรามีสิ่งเราก็จะมีรั้วล้อมความโลภความโกรธความหลงของเราไม่ให้ออกไปสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่นและสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเพราะเวลาเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วผู้อื่นเขาก็จะต้องกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรานั่นเองดังนั้นเราก็จำเป็นจะต้องมีศีลกันต้องรักษาศีลกันถ้าเราอยากจะควบคุมความโลภความป่วยความหลงของเรา ไม่ให้มีกำลังมากจนเกินไปแล้วต่อไปเวลาที่เราจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยขั้นตอนที่สามคือการภาวนาก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายกว่าการที่ไม่มีศีลคนที่จะภาวนาได้ดีกว่าคนที่คนที่ไม่มีศีลก็คือคนที่มีศีลนั่นเอง เพราะสีลนี้จะควบคุมไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงมีกำลังมากจนไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับได้นั่นเองเบื้องต้นเราต้องควบคุมด้วยการให้ทานตัดกำลังด้วยการให้ทานขั้นที่สองก็ตัดกำลังด้วยการรักษาศีลแล้ถ้าจะภาวนาเราก็ต้องรักษาศีลแปขึ้นไป ถ้ารักษาศีลห้าก็จะไม่มีกำลังพอเพราะว่าศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ความโลภไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผู้ที่รักษาศีลห้านี้ยังปล่อยให้ความโลภออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เช่นศีลข้อที่สามก็ยังเป็นข้อการมีกคือยังสามารถที่จะหาความสุข จากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่ถ้าอยากจะภาวนาจำเป็นจะต้องตัดข้อนี้ไปคือจะต้องถือเป็นอพ ร, รมมจริยาคือจะละเว้นจากการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเพราะถ้ามีการร่วมหลับนอนแล้วก็จะเสียเวลาจะไม่ได้มาชำระความโลภความโกรธความหลง ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญานั่นเองจึงจำเป็นจะต้องถือสีนแปคือข้อสาก็ต้องเป็นอพรรมัจจริยาแล้วก็ต้องถือสีข้อที่6คือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้ตัดความโลภใน <Nice. S 1> ในรสชาติในรสของอาหารให้รับประทานขนเดียวก็พอ รับประทานให้เต็มที่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่รับประทานร่างกายไม่ตาแน่นอนร่างกายสามารถอยู่ได้จนถึงวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าปล่อยให้รับประทานก็จะทําให้ความโลภในใจมีกําลังมากขึ้นจะทําให้การภาวนาเพื่อชําระความโลภความโกรธความหลงนี้ลาบากขึ้นนั่นเองอย่างนั้นจะต้องรักษาศิลงแปด คือศินข้อที่ 6, คือไม่ละไม่ละประานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วและข้อที่7คือไม่หาความสุขจากการเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงหรือร้องลัมทำเพลงหรือแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรรต ท, ที่มีสีสดใสใช้เครื่องสำอางแต่งหน้าทาปากใช้น้ำหอมต่างๆอย่างนี้ อันนี้เป็นการหาความสุขทางตาหงจมูกนิ้นกายที่จะมาทำให้การกาจัดความโลภความโกรธความหลงนี้ยากขึ้นไปอีกหลายเท่าเช่นเดียวกับสินข้อที่8ก็คือไม่ให้หลับนอนบนฟูกหนาๆเพราะเป็นการหาความสุขทางกายนั่นเอง ให้พักผ่อนร่างกายด้วยการหลับนอนบนพื้นไม้พื้นแข็งปูด้วยเสือ่อหรือปูด้วยผ้าเพราะร่างกายจะหลับไม่นานพอร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะไม่สบายเหมือนกับนอนฟูกถ้านอนฟูกนี้ถึงแม้จะตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แล้วแต่ใจยังไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อ เก่กิเลความโลภในความสุขทางกายนี้ยังไม่อยากจะลุกขึ้นมาทํางานมาภาวนาก็จะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงทําให้เสียเวลาต่อการภาวนาต่อการชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะการทาทานและการรักษาสีนี้ไม่สามารถชำระ ความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปได้อย่างถาวรเพียงแต่ตัดกำลังลงไปเท่านั้นถ้าอยากจะกําจัดอย่างถาวรนี้จะต้องจําจัดด้วยการภาวนาก็คือด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาในขั้นต้นก็ต้องทําใจให้สงบใจจะสงบได้ก็ต้องระ ง, งับความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้ายังคิดปรุงแต่งอยู่ใจจะไม่สงบ วิธีที่จะทำใจให้ไม่คิดปรุงแต่งก็ให้ให้กำหนดการบริกรรมพุทโธพุทโธไปให้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความคิดปรุงแต่งก็จะหยุดทำงานพอหยุดทำงานแล้วใจก็จะสงบจะพบกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่ไม่เคยพบมาก่อนและจะรู้แล้วว่านี่คือความสุขอยู่ตรงนี้เอง ไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสารเสรินสุขเพียงแต่ว่าไม่สามารถรักษาความสุขนี้ได้ไปตลอดเพราะไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ไปตลอดไม่นานร่างกายก็จะดึงดึงใจให้ออกจากความสงบเพราะร่างกายต้องการเข้าห้องน้ำบ้างต้องการดื่มน้ำบ้างต้องการขยับเปลี่ยนเนื้ยาบอบ้างก็จะไปดึงความ ดึนจิตที่อยู่ในความสงบให้ออกมาทีนี้ถ้าอยากจะยังรักษาความสุขในขณะที่ออกมาจากสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาไปกําจัดความหลงไปสอนใจไม่ให้หลงกับสิ่งต่างๆเช่นไม่ให้หลงกับลาบยศรรเสริญสุขไม่ให้หลงกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไม่ให้โลไม่ให้ได้ยากับสิ่งเหล่านี้ พอเกิดความโลภเมื่อไรเกิดความหยากเมื่อไร <c oughs> ก็จะไปทําลายความสุขความสงบที่มีอยู่ทันทีดังนั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วจําเป็นจะต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจยอยู่เสมอไม่ให้ไปโลภในลาบยศสารเสริมสุขให้เอามาเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทํากิจต่างๆที่จําเป็นจะต้องทําพอทําเสร็จแล้วก็ให้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ให้ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบใหม่ ถ้าทำอย่างนี้สลับกันไปแล้วต่อไปใจก็จะไม่หลงกับลาบยศเสริญกับความสุขต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ใจก็จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีความทุกข์เลยนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราทนําเอาไปปฏิบัต พวกเราก็จะได้พบกับความสุขที่ไม่มีความทุกข์อย่างนี้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวันเพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดโดยสุดนี้ให้ท่านได้นาเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการจสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา